ที่ว่าประวัติหลวงปู่ลาเขมปัตโตม่วนที่ 2 และอีกก็เกลือและพริกขอให้ตําใส่กันให้ 4-5 ช้อนโตหากระบอกไม้ไผ่มาใส่เป็น 6-7 วันนี้ เรื่องนิดเดียวขอรับไม่เป็นของลำบากแก่ผู้จับถวายเพียง 4-5 ช้อนโตนั้น 2 องค์ตกลงพักอง 3 คืน บางครั้งมีพากันมารักษาศีลภาวนาพรรณผุดผ่องหน้าตาคมคาย 8 ค่ำ 14 ค่ำ 15 ค่ำแม้วัดจะไม่มีพระสงบไม่เกี่ยวเกลาอึ้ง และบ้านก็มีหลังคาเรือนประมาณ 50 หลังคาอาหารหมกค่อใส่บาดเรียบและการนิมนต์ของ ต้องการพักปฏิบัติอยู่นี้จนกระทั่งพวกกระผมสิ้นลมปราณจนตราบใดใดก็ดีพวกกระผมก็จะ อันสะดวกต่อข้อวัดปฏิบัติของพระพุทธเจ้าเท่านั้นเป็นเกณฑ์พวก 30 จังหวัดแล้วพร้อมทั้งปัจจุบันที่กําลังเขียน พระอาจารย์องค์เขาตอบว่าพระอาจารย์บุญมีแลที่ได้สั่งสอนบอกญาติโยมใน จนถึงบัดเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้ขออะไรๆก็อาจเป็นเส้นพอที่ เพราะเดินข้ามโคกใหญ่โคกโตทันภาวนาเดินข้ามโคกใหญ่โคกโตจึงถึงประมาณ 10 รูปวางบริขารไว้ที่ควร ผมดูพรับเดียวก็รู้ได้นั่นรองเท้าของท่านขาดบ้างแล้วจงตัดกับหมู่ซะกราบเรียนว่ากับผมยังไม่ทำตัดดอกเพราะยังเดินทางอยู่และการเดินทางบางทีมันดังกั๊กๆกับผมก็ถือเอาไม่ได้ใส่เลยคงจะให้จริงไม่พูดเพลอๆแต่ไม่ตกลงเอาแล้วท่านถามต่อไปว่าท่านตั้งใจจะไปไหนเรียนตอบท่านว่า จะไปธาตุพนมแล้วจะฝากเนนกับพวกอุดรที่ อ.เมืองสะกล อำเภอนาแกอำเภอท่าขนมตอบว่าเพราะตั้งใจจะวิเวกไปเออก็พอฟังได้ อันมีหนังหุ้มอยู่โดยรอบท่านจงทําความเพียรอยู่ถ้ํานี้ให้มั่นคงจะพบพระอาจารย์มั่นอยู่ในถ้ํานี้นิสัยวาสนาองค์ท่านกล่าวอย่างเยือกเย็นถึงจิตถึง ไม่ยอมตัวเข้าไปปฏิบัติศึกษากับองค์ท่าน คำตื่นเจ้าบินทะบัตต์จั๋ม 7 เก็บของมอบเสนาสนะแล้วก็ไป พุทโธเป็นเพียงอักษรย่อเฉยๆเปรียบเหมือนเชือก 3 พระปัญญาคุณพระมหากรุณาคุณก็ได้ก็ไม่มีประมาณ ผู้มีเชือกยาวก็ขึงได้ไกลผู้มีเชือกสั้นก็ขึงได้ ทรัพย์สินใดๆในโลกาไม่เท่าทรัพย์และศีลทางโลกุตตระแต่ผู้มีใจสูงทำสูงจึง หรือเรียกว่าถึง 3 ผงแล้วก็ได้ฉันเจ้าเสร็จเดิน พร้อมทั้งเปิดประตูทางกายทางวาจาทางใจทุกประการองค์ท่าน ผมเอามาจากบ้านคำนกกบมันกินวันนี้แหละผม ก็อยู่ในเกณฑ์ตายเพราะมันหลายตัวลุมหน้าลุมหลังนะท่าน ก็ตกลงพักอยู่กับองค์ท่าน 3 คืนแท้จริงวัดป่าเฉยๆ3 วันแล้วก็กราบลังรอ กับผมมาไม่ได้เหตุๆถ้าคําตั้ง ถูกขาดจองขาดเลือดตกหยดจะถวายบูชาเออจิตเป็นไปใน 30 กว่าอาหารพอองค์ แต่อันตรายก็มากเหมือนกันเพราะบ้านอยู่ห่างไกลมีแต่ป่าแต่ดงทั้ง บอกให้โยมกลับโยมก็ทำท่าอยากจะไม่กลับเพราะเป็นๆในโลกนี้โยมเอ๋ยถ้าเออถ้า พวกโยมจงได้รับส่วนด้วยโดยทุกเมื่อเขายกมือสาธุ คือภาวนาทุกๆก้าวขาเดินคือพุทโธถ้าไม่จําเป็นอย่าพูดอย่าถามนะและอย่าถือว่าลังเกียดกันถ้าเน้นจงออกเดินหน้าเน้นตอบว่าไม่กลัวดอกก่อนเทวดาเห็นก็จะหัวเราะและก็เป็นเรื่องฝืนๆกับภาวนาว่าแล้วก็ตั้งเดินทางภาวนาบ่ายประมาณ ค่ำมืดๆทั้งสิ้นไปพักวัดลางไม่มีพระเช้าดินธบัดชั้น 7 ลาโยม ชาวบินธาบาตชั้นเสร็จเขาเอาเรือมารับข้ามปากแม่ประมาณ 3:00 เย็นถึงอําเภอประมาณ 5 นาทีต่อจากนั้นก็ข้ามทุ่ง มีมติสันฐานเข้มขัดมากนักองค์ท่านให้เนน 2 องค์มารับแต่ มูลติเตียนผมว่าผมฉันเจใครก็ไม่อยากอยู่กับผมผมอยู่กับ ลองมาพักปฏิบัติอยู่กับผมสักระยะหนึ่งก่อนเปิดโอกาสให้กับผมทุกเนี่ยทุกมุมโดยธรรมะอัน พอสมควรแล้วจะเดินล่องภูเขาภูพัน 18 เส้นเท่านั้นแหละ นอกจากลูกลูกศรของนายพลไม่ถึงกับตายขาดที่พอกระเสือกกระสนบินไปได้ก็บินไปเร่ร่อนไปมนุษย์เทวดามารพรหมและสัตว์ที่มีวิญญาณครองสิงอยู่ทั่วทั้งไกลพบ ผลทั้งอนาคตรับก็สัมพันธ์กันอยู่ทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบัน ผมอยู่กับเนไม่ได้แสดงอาบัจนานแล้ว ว่ากาเย้ต่อพุทธenhktenสงเป็นส่วนมากแนน้ว ว่าแล้วก็แสดงอาบัจส่วนข้าพ 전�sawก็แสดง เพราะเขาลบท่านถ้าจะไม่แสดงก็คล้ายกลับว่าตนลืมตัว ทำถ้าเป็นผู้ประเ�morbit พอเสร็จแล้วก็กลาบลาเดินทาง องค์idor จนผู้ลายก็มาพระมันก็ปล้นแม้ผ้าดำๆมันก็เอา เนนเอ๋ยบัดนี้ก็ผ่านอุปสรรคอีกเพราะป่าดงพงไพรเงียบ 30 ปีขี่รถจักรยาน 10 ว่า เหนื่อยนักปู่ผ้าพักก่อนเถอะส่วนเขาเหล่านั้นพอมาถึง เขาไปติดรถก็เลยตอบเขาว่าขอให้พวกคุณตรวจเอาเองเถิดเพราะอาตมาเหนื่อยจะเอ็นกายพักสักหน่อยเขาก็คนบริขารทุกอันอย่างพอใจเขาหยิบเอาพึ่งนิดเดียวท่อมเม็ดข้าวโพดพอเขาคนสิ่งของแล้วเวลาที่เขาจะผ่านไปตามทางที่เราผ่านมาแล้วเขาก็กราบลาแบบอ่อน แล้วเผาก็ขึ้นรถสะพายปืนอย่างปืนพลายจับไปเขาไปไกลพอควรแล้วก็พูดกับเนนว่าคงจะเป็น จะอย่างไรพวกเราก็เชื่อกรรมและผล ตื่นเช้าบิณฑบาตฉันเสร็จกราบลาเจ้าอาวาสออกเดินทางค่ําพอดีพักวัดหลังบ้านดงสะพังตื่นเช้าบิณฑบาตฉันเสร็จลาญาติโยมเดินทางไปค่ําบ้านแสนพันหมันหย่อนนอนวัดล้าน 1 คืนรุ่งเช้าบิณฑบาตฉันแล้วเดินทางถึงท่าพนมเวลาเที่ยงวันไปพัก พร้อมกับพวกพระที่มาไหว้ทานขนมส่วนเออเรานี้อยู่ใกล้ถ้ําพระเวท ถึงถ้ำพระเวทพอไปถึงถ้ำพระเวทแล้วจิตใจ เพียงรู้ตัวว่าศรัทธาเราดึงดูดไม่ถอยหลังรู้อยู่เฉพาะตนเองไม่ ก้าวไปแล้วหยุดอยู่ก็ดีก็รู้เองไม่ได้ อยู่ใกล้ไหลหลินอยู่ผ้าคุมหมอนก็อยู่ในตัวขาดที่หน้าผาตากไว้แล้วเดินจงกรมจน เพราะอวัชชนก๊กๆแจ๊กๆมันพอใจเองมันเป็นเองไม่มีใครไปยุไปยอมัน ความยอมเป็นยอมตายกับพุทธธรรมสงฆ์แบบแยกภัยนี้เป็นรสชาติหวานขมเมื่อจิวหา จึงจะหมดปัญหาของตนในส่วนนั้นเป็นตอนๆไปเป็น ปรากฏการณ์ที่ถ้ำพระเวสคันพักอยู่ถ้ำพระเวสคืนที่ 6 นั้นลมละเอียดเข้าละเอียดเข้าหายใจออกเข้าตั้งสติจ้องอยู่จนไม่ปรากฏรอดลมที่คอหอยเพราะตั้งสติไว้ที่นั้นเสียงระเบิดตู้มลงใกล้ใต้ที่พักปรากฏว่าภูผาทางลูกกระเด็นกระเทือนแต่ไม้ขนพองสยองเกล้าเลยใจก็เป็นสมมติว่าใจอยู่ตามเดิม แล้วหวนทวนถอยหลังพิจารณาว่าวันนี้ก็ดีวันอื่นๆล่วงมา มาอยู่นี้เพื่อประสงค์อะไรเพื่อพ้นทุกข์ในสงสารจริงหรือจริง ปิติใหญ่เกิดขึ้นคล้ายๆกับว่าจะชนภูว่าจะชนเพราะมีสติปัญญาสมดุลกันๆรู้จักข่มปิติได้เพราะสุขก็ดี แล้วก็นอนตะแคงข้างขวากําหนดลมต่อไปในอานาปานสติ พบครูหาผาสูงจูงจิตคิดสังเวชเป็นเหตุ เฝ้าจมจมอยู่ในโคลนวนสงสารเพราะเหตุว่า เป็นเครื่องระงับกิเลสและกองทุกข์ไปใน ข้าวก็อันเก่ากับก็อันเก่าแต่เมื่อเอาไปฉันในป่าในเขาเพราะหมดหวังอาหารอื่นๆรสชาติอาหารก็เพิ่มขึ้นทวีเหตุนั้นธรรมะคำสั่งคำสอนจึงหนักแน่นให้ยินดีในที่สงัดป่าดงพงเขาไม่ได้ไปส่งเสริมในที่คุกคีและที่อึกกระทึกแต่ผู้มีได้เคยดื่มกายวิเวกแล้วจิตตวิเวกก็จะมาจากประตูใดย่อมเป็นไปได้ยากอุปติวิเวก ก็โดยในเดียวกันนั่นเองแต่ผู้ไม่เคยได้ ถ้าจะพิจารณาถึงสัตว์เดรัจฉานบางจำพวกแล้วเช่นอื่นๆจะออกมาวิวุ่นก็ปีละครั้งและก็มีเวลาจำกัดอีกด้วยเหลือนั้นต้องวิเวกอยู่ของใครของมันกบก็เช่นกันเป็นเรื่องน่าพิจารณาทั้งนั้นผู้ท้องเที่ยวในสงสารกรรมและผลของกรรมมีอำนาจจำแนกให้ดีและเลวต่างกันตามเหตุและผลที่เจ้าตัวสร้างสรรค์ไว้เมื่อสร้างไว้แล้วไม่อยากรับก็ได้รับจะรู้ตัวหรือไม่ก็ไม่เป็นปัญหา ต้องทางดีก็โดยในทางชั่วก็โดยในตามเหตุที่สร้างไว้ไม่ลําเอียงทางดีก็นั้นเหตุใจผลใจหนักหนัก จนสิ่งเหล่านี้ต้องขึ้นอยู่กับเจ้าตัวที่สุดแห่งความหลงสิ่งเหล่านี้ต้องขึ้น เหลือจะลอยพระที่ไปอยู่ภพที่นั้นแต่ ย้อนคืนมาปราลภที่ไปถึงถ้ําพะเวทในวันแรก นี่หรือที่เขาว่าผีอัมกั้นใจยกขาขวาขึ้นผีไปอย่าง การไปบิณฑบาตไปบ้านแก่นไกลเส 60 เส้นพระไปจากถ้ำ 40 เส้นและ ชั้นเสร็จในที่นั้นก็ไม่มีเวลาสนทนาธรรมะนานเพราะ ของธรรมชนิดนี้จะพูดก็ไม่ออกจะบอกก็ไม่ถูกเพราะของไขของ 3 กายวิเวก และแอบเอาแต่ความจําได้หมายลู คือเมืองพอถ้าจะเดินทางไปหาเมืองพอ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 ปัจจุบันใดๆก็ไม่มีโทษไม่มีผิดอันใดและนิจจังยั่ง 22 วันแล้วก็เอ๊ะเรานี้จวนแจ บางเมื่อคิดดังนี้แล้วองค์ท่านซึ่งลมปลานก่อนเราเมื่อคิดดัง จะได้ยาตราราจากพวกเจ้าไปหน้าดว enrolled, จะไปหาพระอาจารย์มั่นขั้นอาศาขออยู่เพื่อจะได้รู้ทำพระพุตตเจ้า困ฐ์ภธิบัติเข้าสู่นิบพลานขอให้พากันอยู่ในภัติดภาพร้องใน anci concludes ใครไปถึงเร็วหรือชา ก็มง่าต่อนิบพลานaman WO 15 เพราะจะได้ลาล้อมชายเขาภูผานไปหาพระอาจารย์มั่นที่ ตื่นเช้าบิณฑบาตฉันเสร็จเดินทางต่อค่ําวัดป่าสุทธาวาสพอดีพักอยู่ คุณมาพักขณะนี้ได้อุบายอะไรอย่างไรบ้างกราบเรียนว่าเออดีล่ะฟังเทศน์ออกนะผม ประมาณ 14 กิโลเมตรกว่าๆได้เวลา 3 คืนแล้วฉันเสร็จก็กราบลาองค์ท่านไปผ่าน 2 องค์เท่านั้น ไม่มาเป็นเจ้าหัวใจรองนึกในใจว่าถ้าเรามีโอกาสมาพักข้างหน้าความกลัวมาเป็นเจ้าหัวใจพอที่จะ เป็นห้องหินสงนำในตัวๆทั้งสิ้นแต่สถานที่ภาย ก็เป็นมรดกเบาไม่ได้หามไม่ได้หิวไม่ได้ รู้จักวิมุตติอย่างไรได้เมื่อไม่รู้จักร้อนจะรู้จักเย็น ธรรมดาปุตุจนขหนาย่อมเห็นผิดเป็นชอบเป็นนายหน้าของเจดตนาเป็นนายหน้าของเจตนาเป็นยาเสพติดไปในทางชอบไม่ลําบับแต่ขอยกเว้นลาอาลหังไม่ควรเอาองค์ท่านมาผลเปกับยาเสพติดใดๆ จะกลายเป็นบินทบาทฉันดื่มพูดคิดเทศนั่งนอนยืนเดินสงบรู้โทษตอบผู้เบิกขาสาละพัตธรรมดาตรงๆ ไม่รู้เช่นการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเขาต่อพระพุทธศาสนาว่าฆ่าตัวเล็ก พระบางกลุ่มบางบุคคลบวชพ้นศาลาวาตแล้วเพื่อผลทุกข์ พร้อมทั้งเหยียบย่ําทําลายพระพุทธศาสนาโดยไม่รู้ตัว เพื่อบำเพ็ญพัฒนาสร้างคุณงามความดีเพื่อให้พ้นจากความทุกข์ด้านจิตใจ พระบรมศาสดาและพระอริยสาวกพระอริยสาวิกาของพระองค์ทรงหา จะว่าเป็นยาโอสถก็ใช่จะว่าเป็นไฟเป็นฟืนเผาตาส่องใจไปสู่ทางล่มเย็นก็ได้ไม่ผิดจะว่าศีลมรรคสมาธิมรรคปัญญา ขึ้นอยู่กับภาพพลดของจิตที่มีสติปัญญาจะรู้เท่าทันเพียงถึงศีลสมาธิปัญญา จะนับไปกี่โกรธกี่ร่างอสงไขยก็ออก ผู้ไม่รู้จักรสชาติของปัจจุบันจิตปัจจุบันธรรมแล้วย่อมหนักใจในการปฏิบัติธรรมใน ชั้นเสร็จแล้วเวลาประมาณบ่าย 2 ก็ลาเดินทางรัด นอนกำหนดลมหายใจออกเข้าจิตใจและสติอยู่กับ ตื่นเช้าได้เวลาเข้าไปบิณฑบาตบ้านนานกเขาออกมา ถึงวัดป่าบ้านหนองผือประมาณเที่ยงวันจิตใจก็เบา ยังไม่เป็นอะไรครับคงเป็นเพียงว่าศรัทธาเท่านั้นแท้จริง ขอมอบกายถวายชีวิตต่อพระอาจารย์ผู้ขาดทุกข์ล้มพล่านตลอดทั้งคณะสงฆ์ในที่นี้ทุกๆองค์ด้วยข้าน้อยว่าจะมาแต่ปี ลืมวันที่เพราะไม่ได้ดูปฏิทินแต่เป็น พ.ศ. 2489 พระอาจารย์มหาบัวได้โอกาสรับหลังหลวงปู่มั่นแล้วก็กรุณาเตือนว่าเอา ช่างก็ต้องตีพอจะเป็นมีดเป็นพราก็ต้องให้ ท่านก็เข่นมามากแล้วด้วยอุปายต่างๆธรรมดาพ่อแม่ เขาเพ็ดเอาปล่อยไว้ให้เราเป็นทุนองค์ ที่ข้าพเจ้าไปมอบกายถวายชีวิตอยู่ด้วย และครูในครูจิตครูใจที่ปฏิบัติปฏิเวธมรรคผลนิพพานเพราะไม่ต้องการครูอัตโนมัติบัญญัติเอาเองคนเราถ้า ก็ไม่สมบูรณ์บางท่านบางคนตนไม่ทําได้ดีพอก็อยากจะให้ อย่าไปตั้งกฎเกณฑ์ผูกมัดอาจารย์ไว้ไม่เป็นหน้าที่ จิตใจภายในก็เหมือนกันใจภายในก็วิหิงสาวิตกกันขนาดไหนพลิกไปทางกามวิตกตรึกไปในทางกาม และสอนลูกศิษย์ขนาดใดสอนญาติโยมขนาดใดแลแล 3 ลางหน้าบวชปากใส่กระโถนปากกว้างแบบเงียบๆห่ม 30 นาทีได้ยินเสียง เพราะเป็นขโมยแอบฟังอ่ะทั้งกลัวด้วยคั้นสวดมนต์ ผู้เอาบาทก็เอาแต่บาทผู้เอาจีวรผู้จงกลมผู้คอยใส่ ผู้เอาไฟถ่านอั่งโลไปวาง พลัดธาตุไปห่อนมีอาการหนาวและจะได้เอาผ้าอาบและผ้าคุมตักมาอังด้วยเต็มในระเบียบเรียบร้อยเงียบสงัด เมื่อหายป่วยแล้วก็เข้าทําหน้าที่ตามเดิมส่วนงานส่วนรวมเช่น